อนาปติวานพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องระบัดคือ 1. พสองพิกษุีใช้ให้ผู้อื่นให้สองพิกษุีมิได้ให้เอง 3. พิกษุีให้โดยวางไว้ใกล้ๆ4ีพิกษุีให้ของไหลท่าภายนอก 5. พิกษุีวิกลจริต 6. พิกษุีต้นบัญญัติสิกขาบทที่6จบ